ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้ี่สเรื่องอาสาดิสัทธานข้อความเบื้องตน้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพอาสาดิสัทธานตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่านะเวกระดาริยาเดวะโลกังวจันติเป็นต้นตอน พระราชาถวายทานแข่งกับราษดรความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระสัสดาเสด็จจาริกไปแล้วมีภิกษุประมาณ500เป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเชตวันพระราชาเสด็จไปวิหารทูลนิ ม, มนต์พระสัสดาในวันรุ่งขึ้นทรงเตรียมอาคันตุกะทานแล้ว จึงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเราชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้วในวันรุ่งขึ้นทูลนิ ม, มนต์พระศัสดาตราเตรียมทานแล้วทรงข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอพระองค์ผู้เป็นสมมติเทพจงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์ พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วทรงดําริว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราอันชนเหล่านี้ทําแล้วเราจะทําทานอีกจึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้วแม้ในวันรุ่งขึ้นแม้ชาวพระนครเห็นทานนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงตระเตรียมทานแล้ว ด้วยประการชนิด้วยอาการอย่างนี้พระราชาไม่ทรงอาจเพื่อให้ชาวพระนครแผ้ได้เลยชาวพระนครก็ไม่อาจเพื่อให้พระราชาแผ้ได้ต่อมาในวาระที่หชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าตราเตรียมทานโดยประการที่ใครๆไม่อาจจะพูดได้ว่า วัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชาวพระนครนี้พระราชาทอดพระเนตรทานนั้นแล้วทรงดําริอยู่ว่าถ้าเราจักไม่อาจเพื่อทําทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครนี้แล้วไซประโยชน์อะไรของเราด้วยชีวิตเล่าดังนี้แล้วได้บรรทมดําริถึงอุบายอยู่ตอน พระนางมาลิกาทรงจัดทานลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเหตุอะไรพระองค์จึงเป็นผู้บัญทมอย่างนี้พระเหตุอะไรอินทรีของพระองค์จึงเป็นดุจเหน็ดเหนื่อยแล้วพระราชาตรัสว่าเทวี บัดนี้เธอยังไม่ทราบหรือพระเทวีหม่อมฉันยังไม่ทราบพระเจ้าค่าเท้าเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางแล้วเริ่มดับนั้นพระนางมาริกากราบทูลเท้าเธอว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์อย่าทรงดารีเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อันชาวฟรนครทั้งหลายให้พ่ายแพ้อยู่พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือหรือเคยสดับแล้วที่ไหนหม่อมฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค์พระนางกราบทูลแด่เท้าเธออย่างนี้เพราะความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอศาศนิสส า, านแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำมนดบสำหรับนั่งภายในวงเวียนด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางเพื่อภิกษุ500รูปพวกภิกษุที่เหลือจากนั่งภายนอกวงเวียนขอจงรับสั่งให้ทำสเบตฉัดห้0รคันช้างประมาณ500เชือก จากถือสเสวตาฉัตรเหล่านั้นยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุห0 0รูปขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุกสัก8ปลำหรือสิบลำเรือเหล่านั้นจกมีณถ้ำกลางมนดบเจ้าหญิงองค์หนึ่งองค์หนึ่งจกนั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุสองรูปสองรูป เจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งจักถือพัดยืนพัดภิกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงที่เหลือจักนำของหอมที่บดแล้วบดแล้วมาใส่ในเรือทองคําทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจักถือกมดอกอุบลเขียวเคลาของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคําแล้วจักให้ภิกษุรับเอากลิ่นอบ เราเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียวสเสวตชัติก็ไม่มีช้างก็ไม่มีชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิดพระราชาทรงรับว่าดีละพระเทวีเรื่องอันงามเจ้าบอกแล้วจึงรับสั่งให้ทำกิจทั้งสิ้น โดยทำนองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระนางมาริกาว่านางผู้เจริญช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งเราจะทาอย่างไรพระเทวีช้างห้าร้อยเชือกไม่มีหรือพระเจ้าค่า พระราชามีอยู่เทวีแต่ช้างที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างเหล่านั้นพอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าย่อมเป็นสัตว์ดุร้ายเหมือนลมเวรำพาพระเทวีข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งพระราชา เราจะเอาช้างยืนณนที่ไหนพระเทวียืนณนที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าอังคุติมานประราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำอย่างนั้นแล้วลูกช้างสอดหางเข้าในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองหลับตายืนอยู่แล้วมหาชนแลนดูช้างที่ทรงสเสวยดชัด เพื่อพระเถระเท่านั้นด้วยคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายชื่อเห็นบ้านนี้ท่านพระอังคุริมาเถระย่อมทำได้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยอาหารอันประนีตแล้วถวายบังคมพระสัสดากราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใด เป็นกัปปิยพันธ์หรือเป็นอกัปปิยพันธ์ในโรงทานนี้หม่อมฉันย่อมถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแต่พระองค์เท่านั้นตอนทานที่พระนางมาริกาจัดชื่ออาสะดิสะทานก็ในทานนั้นแลทรัพย์มีประมาณ14โกศเป็นนันพระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้น ขอของสี่อย่างคือสเสวยธิชัดหนึ่งบัลลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของหางค่ามิได้เทียวเพื่อพระสัสดาใครๆผู้สามารถเพื่อทำทานหินป้า น, นี้แล้วถาวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีกประเหตุนั้นนั่นแลทานนั้นจึงปรากฏว่า อาศดิสาทานได้ยินว่าอาศดิสาานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นสตรีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวงตอนลักษณะของคนดีคนชั่ว<ด>ก็อำมาตย์ของพระราชาได้มีสองคนคือกาละหนึ่ง ชุนหาหนึ่งบรรดาอมหาสองคนนั้นกาละอมหาคิดว่าโอความเสื่อมรอบแห่งราชตรกูลซับประมาณ14ี่โกฎถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่านั้นภิกษุเหล่านี้บริโภคทานแล้วจากไปนอนหลับโอราชตรกูลจิบหายแล้วส่วนชุนหาอมหา คิดว่าแม้ทานของพระราชาก็ใครๆไม่ดำรงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นป่านนี้ได้พระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญเก่สัตว์ทั้งปวงย่อมไม่มีก็เราอนุโมทนาฐานนี้ในที่สุดภัฒกิจแห่งพระศาสดาพระราชาทรงรับบาตรเพื่อต้องการอนุโมทนา พระสัสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานเหมือนให้ห่วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่มหขาชนได้อาจเพื่อยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนอพระองค์ทรงทราบวาราจิตของอ ม, มาตะเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่าถ้าเราจักทาอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซศีสศาของกาละอ ม, มาตะจะแตกเ็ดเสียง ชุนหะอมบาตจะตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในการละอมัมบาตจึงตรัสพระคาถาสี่บาทเท่านั้นแต่พระราชาผู้ทรงถวายทานหินป่า น, นี้ประทับยืนอยู่แล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วิหารตอนตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมารภิกษุทั้งหลาย ทานพระอังคุลิมานเถระว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายยืนทรงฉัดไม่กลัวหรือหนอแลพระอังคุลิมานผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่กลัวภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอังคุลิมานย่อมพยากรอรหัตผล พระศ ส, สดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอังคุลิมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบทของเราเสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคผู้คือพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาในพรามนวคว่า อุสะพังปรวรังวีรังมะเฮสิงวิชิตาวินังอเนจังนะห้าตะกังบุททังตามะหังบรูมิบรามนังเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แกล้า้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้ว ผู้ตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพรามแม้พระราชาถึงความโทมนัสว่าพระสัสดาไม่ทรงทรรมอนุโมทนาให้สมควรแก่เราผู้ถวายทาแล้วยืนอยู่ในท่ำกลางบริษัทเห็นป่านนี้ตรัสเพียงพระคาถาเท่านั้นแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไป เราจะเป็นอันไม่ทำทานให้สมควรแก่พระศาสดาทำทานอันไม่สมควรเสียแล้วเราจะเป็นอันไม่ถวายกับปิยพันธ์ถวายแต่อากาปิยพันธ์ถ่ายเดียวเสียแล้วเราพึงเป็นผู้อันพระศาสดาทรงขุ่นเคืองเสียแล้วการทำมนุโมทนาอันสมควรแก่ทานของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นแลจึงควรดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่ควรจะถวายหม่อมฉันไม่ได้ถวายแล้วหรือหนอหรือหม่อมฉันไม่ได้ถวายกับพิยพันฑ์อันสมควรแก่ทานถวายแต่อากาพิยพันฑ์เท่านั้นพระศาสดานี้อย่างไร มหาบาพิษพระราชาพระองค์ไม่ทรงทำรรอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระสัสดามหาบาพิษพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียวก็ทานนั่นชื่อว่าอสาดิสัตธานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นป่านนี้ เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกพระราชาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระเจ้าค่าพระศาสดาเพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์มหาบาพิษพระราชาโทษอะไรหนอแลของบริษัทพระเจ้าค่าตอน พระราชาทรงเนรเทศอำมาตชั่วลำดับนั้นพระศาสดาตรัส บ, บอกวาราจิตของอำมาตทั้งสองคนแล้วตรัส บ, บอกความที่อนุโมธนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอำมาตจึงไม่ทรงทำแล้วแก่เท้าเธอพระราชาตรัสถามว่ากาละได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือ เมื่อเขาทูลว่าจริงจึงตรัสว่าเมื่อเราพร้อมกับบุตรปริยาของเรามีได้ถือเอาของมีอยู่ของท่านให้ของมีอยู่ของตนเบียดเบียนอะไรท่านสิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่านจงออกไปจากแว่นแคว้นของเราดังนี้แล้วจึงทรงเนรเทศกาลาหมานนั้น ออกจากเว่นแขวนแล้วรับสั่งให้เรียกชุนหะอมบาดมาตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือเมื่อเขาทูลว่าจริง จ, งจึงตรัสว่าดีละลุงเราเลื่อมใสท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดยทำนองที่เราให้แล้วนั่นแหละ ทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันแล้วจึงกลับทูลพระสัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรการทาของคนพาลเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้ตอนคนตรณีไปเทวโลกไม่ได้พระสัสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาพิฏ ขึ้นชื่อว่าพวกคนพาลไม่ยินดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกติเป็นที่ไปณเบื้องหน้าส่วนพวกนักปราชอนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าณเวกะดาริยาเดวโลกังวจันติ บาลาหาเวนับประสั่งสันติดานังทีโรจะดานังอนุโมโดมาโนเตเนวโซโฮติสุขีปรัตถะพวกคนตรนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกชนพานแลย่อมไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุนั้นนั่นเอง นักปราดนั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าตอนแกะอดัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากระดาริยาคือผู้มีความทะนี่ที่เหนียวแน่นผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าชื่อว่าพวกผ่านบัณฑิตชื่อว่าทีระชนสองบทว่าสุขีปรตถะ ความว่าทีระชนนั้นเมื่อเสวยที่ผสมบัติชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าพระบุญอันสาเร็จแต่การอนุโมทนาทานนั้นนั่นเองในเวลาจบเทสนาชุนขะอมาตตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเทสนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วชุนหะอมาตครั้นเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้นเจ็ดวันเหมือนกันดังนี้แลเรื่องอาธิสาทานจบ